ก็ยังมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าที่คิดได้ก็สาไปเสียใจเธอคิดที่ ใจไม่เท่าคุณค่าทเกินคนนั้นถ้าปล่อยไ ป, ไป